บทที่สามความเป็นมาแห่งผู้สร้างนครปาตาลีบุตรนับถอยหลังจากการที่พระเจ้าอาโศกขึ้นครองราชไปสองร้อยปีเศษโดยประมาณสมัยนั้นราชคลือยังเป็นราชธานีแห่งแคว้นมคธ พระเจ้าพิมพิสารราชาโสดาบันผู้ปกครองแควน้นนี้ทรงปกครองโดยธรรมความร่มเย็นเป็นสุขแผ่ปกครุงอยู่ทั่วไปประดุดสายน้ำซึ่งตกจากหุบผากระทบชะ ง, ง่อนหินมีละอองแผ่กระจายไปทั่วบริเวณจอมจตุรงแห่งแคว้นมคตมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งที่เป็นที่สนิทเสนหาของพระองค์ยิ่งนักทรงพระนามว่า อาชาติศัตรูมีความหมายว่าผู้ไม่ได้เกิดมาเป็นศัตรูแต่บางทีวิถีชีวิตเป็นสิ่งที่ฝืนไม่ได้เรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นก็จะต้องเกิดขึ้นสิ่งที่จะต้องเป็นก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่เป็นก็ไม่เป็นการบังคับวิถีชีวิตให้เป็นไปตามความมุ่งหมายแห่งเจ้าของนั้นจะต้องใช้พลังใจอย่างแรง และทุ่มเทความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดลงไปในจุดมุ่งหมายนั้นชีวิตมักจะเดินไปตามคันลองที่เคยเดินมาแล้วเป็นเวลานับพันพันปีการเบนวิถีชีวิตให้เข้าสู่ทางใหม่เป็นเหมือนการตัดถนนใหม่เป็นเรื่องยากลำบากไม่ใช่น้อยดังนั้นแม้พระนามแห่งพระโอรสจอมเสนาแห่งมคตจะมีความหมายไปในทางว่า มิได้เกิดมาเป็นศัตรูแต่พระราชกุมารก็ประสูติมาเป็นศัตรูของพระราชบิดาอยู่นั่นเองเมื่อพระนางเวเทหิอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารทรงพระคันนั้นทรงแพ้พระคันอยากเสวยพระโลหิตของพระราชาสวามีภูมบดีแห่งเบนจากคิรีนครทรงเจาะพระพาหาหลังพระโลหิตออกใสภาชนะทองคาน้อย ให้พระมเหสีเสวยอาการแพ้คันจึงระงับไปโหราจารย์ทำนายว่าพระราชะโอรสในพระอุทธรเป็นศัตรูร้ายของสมเด็จพระราชบิดาพระนางเวเทหิทรงทราบเรื่องนี้ทรงหวั่นพระทัยยิ่งนักมีบ่อยครั้งที่พระนางสะดุ้งผวาตื่นบรรทมในยามดึกทรงรู้สึกเหมือนพระโอรสในคานโพธรดิ้นรนจะออกมา เพื่อพิคาดพระราชะสวามีในยามนั้นพระนางจะทรงร่าไห้พลางลูบไหลพระอุทธรเหมือนจะปลอบโยนสั่งสอนพระราชบุตรให้รู้สึกในพระคุณของบิดาพระนางพยายามรำลึกถึงแต่คุณงามความดีของพระราชะสวามีด้วยหวังว่าความรู้สึกดังนี้ของพระนางจะได้แทรกซึมด้วยหวังว่า ความรู้สึกดังนี้ของพระนางจะแทรกซึมเข้าสู่หัไทยของโอรสซึ่งอยู่ในพระอุทรเหตุการณ์เป็นไปเยี่ยงนี้จนจอมนารีแห่งเบนจจกคิรีนครทรงสู้ผอมผิดสังเกตน้องสู้ผอมลงมากวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารตรัสเวลานี้น้องกำลังคันแก่พยายามรักษาสุขภาพให้ดีลูกของเราจะได้สมบูรณ หม่อมฉันไม่สบายใจมากพระนางเวเทหิทูลเรื่องที่โหราจารย์ทำนายว่าลูกจะเกิดเพื่อประหารพ่อนั้นหรือเรื่องนั้นพระนางทรงรับพระเจ้าพิมพิสารสงบนิ่งในท่าตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงตรัสว่าช่างเถอะที่รักถ้าเรื่องนั้นจะเป็นจริงอย่างที่โหนทำนายก็ปล่อยให้เป็นไปแต่หม่อมฉันไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น เรายังพอมีทางแก้ไขไมิใช่หรือน้องคิดว่ามีทางใดให้หมอเอาออกเสียก่อนกำหนดหรือมิฉะนั้นเมื่อประสูตธ์แล้วก็ฆ่าเสียพร้อมกับที่ตรัสประโยคนี้อสุชนทานก็ลังลงอาบพระปรางพระนางมีอาการสะท้อนถอนพระไทยเพราะทุกหนักท่วมทับทวี ธรรมดานารีนั้นลูกย่อมเป็นที่รักยิ่งกว่าสมบัติใดๆการตัดสินใจฆ่าลูกจึงเป็นเหมือนการตัดสินประหารชีวิตตนเองถึงสิบครั้งหรือมากกว่าที่กล่าวมานี้หมายเฉพาะนารีซึ่งอุดมด้วยลักษณะแห่งมารดาและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของผู้เป็นแม่ทําไมน้องจึงคิดอย่างนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงท้วงติง พระหม่อมชั้นรักลูกและรักพระองค์พระนางตอบรักลูกทำไมจึงคิดฆ่าลูกเพราะไม่ต้องการให้ลูกประกอบกรรมชั่วร้ายถ้าลูกกระทำลงไปอย่างนั้นนอกจากจะเป็นบาปหนักแก่ลูกเป็นอนันตริยกรรมแล้วยังทำให้พระราชบวดาผู้เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมเช่นพระองค์ต้องประสบทุกข์อย่างหนักและเป็นการเสื่อมเสีย แกพระราชวงศ์อีกด้วยน้องไม่คิดรู้ว่าการกระทำอย่างนั้นจะเป็นบาปแก่น้องหม่อมชั้นทราบหม่อมชั้นคิดแต่หม่อมชั้นยอมรับบาปเีคนเดียวหม่อมชั้นพร้อมที่จะรับบาปนั้นดีกว่าปล่อยให้เรื่องกำเริบร้ายไปไกลพระเจ้าพิมพิสารจินตนาการอย่างลึกซึง้งสีพระพรักสลดลง พระองค์ทรงเห็นน้าพระทัยอันดีงามเลิศล้าของแมเ่เฮสีความคิดของพระนางเป็นความคิดที่ควรได้รับความเห็นพระทัยเป็นอย่างยิ่งเพราะรักพระองค์เพราะรักลูกพระนางยอมแม้แต่การถูกประนามว่าเป็นคนใจร้ายค่าได้ลงแม้แต่ลูกในอุทร์ของตนในเหตุการณ์เดียวกันการกระทำอย่างเดียวกันคนหนึ่งอาจจะถูกตาหนิ อีกคนหนึ่งอาจจะได้รับความเห็นใจทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจตนาในการประกอบกรรมนั้นน้องรักพระเจ้าพิมพิสารตรัสพระสุระเสียงนิ่มนวลแฝงไว้ซึ่งความหวังดีและปลอบโยนน้องเชื่อว่าคำทำนายของโหราจารย์จะถูกต้องทั้งหมดหรือตอนนี้พระนางเวเทหิได้สกิดพระทยัยมีแววพระเนรแจ่มใสขึ้น พระเจ้าพิมพิสารสังเกตเห็นพระอาการมาเหสีดังนั้นจึงตรัสต่อไปว่าคำทำนายของโหราจารย์อาจผิดก็ได้ถ้าผิดจริงเราจะบาปหนักที่ฆ่าบุคคลที่ไม่มีความผิดเลยและผู้นั้นไม่ใช่ใครอื่นเขาเป็นลูกของเราเองน้องรักเชื่อพี่เธอเป็นการเสี่ยงเกินไปที่จะคิดทำลายลูกซึ่งอยู่ในอุทธร ดูเรื่องพระเจ้าเปรตที่โกศลเชตภาดาของน้องสิ์ตื่นขึ้นในราตรีได้ยินเสียงประหลาดแววมาทางช่องพระแกลว่าทุสฎนสโสทรงสะดุ้งพระไทยรุ่งขึ้นให้โหนทํานายเขาบอกว่าจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตหรือพิจนะนั้นจะเสียรัชสมบัติให้หาทางออกโดยเอาสัตว์ประเภทต่างๆอย่างละห้าร้อมาบูชายันสะดกะกเคราะห์ เป็นการทำลายล้างชีวิตของผู้อื่นสัตว์อื่นเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของตนในที่สุดพระนางมาริกาอัคระมเหสีพาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามเรื่องราวเกี่ยวกับเสียงประหลาดนั้นพระพุทธองค์ทรงสแสดงให้แจ่มแจ้งว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของสัตว์ผู้ทนทุกข์ทรมานในอบายเพราะกรรมชั่วแห่งตนไม่เกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตหรือรัชสมบัติของกษัตริย์ แวนโกสนแต่ประการใดเลยพระเจ้าเปเสนที่โกสนจึงรับสั่งให้ปล่อยสัตว์เหล่านั้นเสียสิน้นถ้าทรงกระทําลงไปตามคำของโหราจาร์ก็จะเป็นบาปแก่พระองค์ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นน้องอย่าเชื่อคำของโหราจาร์ให้มากนักเลยลูกเราอาจจะเกิดมาเป็นจอมจกกักพาธหรือผู้พดุงาศาสนาอย่างสาคัญก็ได้พระดารัสตรัสปลอบ ซึ่งแพร่พายไปได้เหตุผลพร้อมทั้งอุทาหรณ์ของพระเจ้าพิมพิสารทำให้พระนางเบาพระไทยขึ้นมากทำให้พระนางได้มองในแง่ดีบ้างไม่ดิ่งไปในแง่ร้ายเพียงฝ่ายเดียวพระนางทรงรำพึงก่อนจะบรรทมหลับในราตรีนั้นว่าจริงสินะ โอ oh, ราจาร์อาจทำนายผิดก็ได้ลูกเราอาจจะเป็นจอมจกักรพรรดิหรือผู้ผดุงศาสนาอย่างสำคัญก็ได้คืนนั้นพระนางมันทมเป็นสุขตลอดราตรีแต่ความแจ่มใสชื่นบานในเรื่องนี้ของพระนางก็อยู่ได้ไม่นานนักเมื่อสองสามราตรีล่วงไปพระนางกลับทรงวิตกกังวลอย่างเดิมอีก เรื่องเบนพระทัยจากการเชื่อโหราจาร น, นั้นเป็นเพียงเหตุผลที่พระนางยอมรับฟังราะชะสวามีเพื่อปลอบพระทยนางเองแต่ในเนื้อแท้ของจิตใจพระนางยังเชื่อโหราจารอยู่เป็นธรรมดาของสตรีที่เมื่อปักใจเชื่อสิ่งใดแล้วก็เป็นการยากนักที่จะถอนความเสะเทือนใจ และเรื่องที่เคยเชื่อถือสืบสืบกันมามีความสำคัญสำหรับสตรีมากกว่าเหตุผลทั้งนี้ไม่ได้ยกเว้นว่าสตรีผู้นั้นจะถือกำเนิดในตระกูลสูงเพียงใดหรือได้รับการศึกษามากเพียงใดด้วยเหตุนี้เองสำนักโหราจาร์ต่างๆจึงคลากร่ำไปด้วยสตรีต่างชั้นต่างวายัยและต่างฐานะ มีบ่อยครั้งที่พระนางอยากจะปรองเรื่องให้เป็นไปตามยถากรรมเหตุการณ์ภายหน้าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เหตุการณ์แต่ความรู้สึกอย่างนี้มีอยู่ไม่นานนะักความรู้สึกขัดแย้งก็เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ควรปล่อยให้เหตุการณ์บันดาลความเป็นไปแห่งชีวิตพระนางรำพึงควรจะบังคับเหตุการณ์ให้เป็นไปตามที่ชีวิตประสงค์ และด้วยความรู้สึกดังนี้เองวันหนึ่งเวลาเที่ยงเป็นเที่ยงวันในฤดูร้อนพระนางได้ลอบลงจากประสาทออกทางท้ายวางมุ่งเข้าสู่ป่าแตลาพังพระองค์ณป่านี้มีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งเป็นที่ซึ่งไม่ค่อยจะมีกลายย่างกลายเข้ามาเป็นที่สงบสงัดวังเวงต้นไม้ทุกต้นยืนสงบนิ่งเหมือนคอยจับจ้องอิริยาบถของพระนาง บรรยากาศอย่างนี้น่าจะเป็นที่ตั้งแห่งความกลัวของผู้มีธาตุแห่งความกลาดแต่พระนางทรงมุ่งพระทัยแต่เรื่องเฉพาะหน้าจึงไม่เปิดโอกาสให้ความคิดคำหนึงถึงอื่นใดมาแพร่ผ่านได้พระนางเสด็จมาที่นี่เพื่อจะรีดพระคันเอาพระโอรสออกขณะนั้นความรู้สึกของพระนางสับสนวุ่นวายสุดพณน า, นา พระเจ้าพิมพิสารทรงสงสัยในพระอาการของพระนางมาตั้งแต่เช้าแล้วจึงรับสั่งให้คนสอดส่องดูอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นพระนางชักภูษาครุมพระเศียรลงจากประสาทออกทางท้ายวังมุ่งเข้าสู่ป่าแต่พระองค์เดียวทรงประพฤติในสิ่งที่ไม่เคยกระทำมาจึงกราบทูลให้พระเจ้าพิมพิส า, สสารทรงทราบจอมจตุรงแห่งแคว้นมคธพร้อมด้วยราชบัลลป จึงเสด็จติดตามไปห่างๆเมื่อพระนางเข้าสู่ถ้ำรัชวัลกจึงรีบวิ่งไปส่งเสียงพอให้พระนางได้ยินและสำเนียกว่ามีผู้ติดตามมาแล้วพระเจ้าพิมพิสารแสดงพระองค์ให้ปรากฏพระนางสะดุ้งพระทัยและการแสง น้องมาทำไมที่นี่พระเจ้าพิมพิสารตรัสถามพระนางกันแสงหนักขึ้นนั่นคือคำตอบที่พระนางรำพึงถวายพระราชสวามีได้ในเวลานั้นเป็นอันว่าพระดำริที่จะรีดอุทธรหรือทำลายพระโอรสของพระนางเวเทหิเป็นเรื่องล้มเหลวบัดนี้พระนางตัดสินพระทัยอย่างแน่วแน่แล้วว่า จะปล่อยเรื่องให้เป็นไปตามยถากรรมลูกจะเป็นชั้นใดาภายหน้าก็สุดแล้วแต่กรรมเถิดแล้วแล้ววันที่ตื่นเต้นที่สุดก็มาถึงพระนางจอมนารีแห่งแคว้นมคตประสูตรพระราชะโอรสงดงามพระชวีเพลงปรังดังเรือทองพระเจ้าพิมพิสารและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงดีพระไทยเป็นที่ยิ่ง พระนางเจ้าเวเทหินั้นทรงตื่นเต้นตามผู้อื่นไปด้วยแต่ก็เพียงครู่เดียวเท่านั้นเรื่องที่โหราจารย์ทำนายก็ผุดขึ้นมาในความสำนึกของพระนางสีพระพักตร์ซีดสลบลงทรงรูปคล้มโอรสน้อยพลางตรัสพียงแผ่วว่าจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้สิแล้วหลับพระเนศเสียเหมือนจะต้องการลืมทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดสิน้น วันนั้นเป็นวันที่ชาวเมืองรื่นเริงมากที่สุดวันหนึ่งมีงานรื่นเริงฉลองรับพระกุมารประสูติใหม่ทงทิวปลิวสะบัดทั่วพระนครมีมหระสบร้องรำทาเพลงกันเป็นที่ครื้นเครงยิ่งนักในราตรีนั้นโคมไฟทั่วพระนครประดับตกแต่งเป็นพิเศษมองดูสว่างประดุษกลางวันพวงดอกไม้ห้อยย้อยระยะ ตามทางสามแพร่งและสี่แพร่งถวยนาครต่างชื่นชมยินดีต่อการอุบัติของพระราชกุมารยิ่งนักเขาร้องอำํำนวยพรให้พระราชกุมารทรงพระสําราญและสมบูรณ์ด้วยพลานามัยทรงเป็นธงชัยของมคตในการภายหน้าอา น, นิจจาใครจะทราบบ้างว่าเวลานี้ในพระไทยของพระนางเวเทหิพระราชมารดาจะเป็นประการใด และถ้าทวยนาคอนเหล่านั้นทราบว่าพระราชกุมารอุบัติมาเพื่อก่อเรื่องร้ายให้แก่พระราชบิดาผู้เป็นธรรมิกราชอันเป็นที่รักยิ่งของเขาแล้วเขายังจะเปล่งคำอวยพร อ, ออกอยู่ะหรือพระราชกุมารทรงเจริญวัยใหญ่กล้าขึ้นท่ามกลางการประครบประงมอย่างดียิ่งจากพระพี่เลี้ยงและราชมารดา พระเจ้าพิมพิสารเองก็ทรงดูแลอบรมอยู่ห่างๆสิ่งหนึ่งซึ่งพระชนกและพระชนนีคอยอบรมพร่ำสอนพระราชกุมารอยู่เสมอคือเรื่องเมตตาการุณาและความกตัญญูพระราชกุมารทรงอยู่ในโอวาทเชื่อฟังคำสอนทุกอย่างมีพระจริยวัดเป็นที่ชื่นชมสมนัสของพระมารดายิ่งนักกาลานุ ก, การ ล, ล่วงมา จนกระทั่งอาชาติศัตรูกุมารทรงเป็นหนุ่มชะกันสำเร็จการศึกษาศิลปาศาสตร์วิทยาทุกอย่างเท่าที่พระราชกุมารจะกรองพระนครแผ่นดินในอนาคตจะพึงเรียนรู้ได้พระดํารักที่นิ่มนวลอ่อนหวานและน้ำพระทัยอันใสสะอาดซึ่งแสดงลักษณะของผู้มีเมตตากรุณานั้นมีอยู่พร้อมบริบูรณ์ในพระราชกุมาร จนพระนางเจ้าเวเทหิทรงแน่พระไทยว่าคำทำนายของโหราจาร์ผิดเสียแล้วอาชาติศัตรูน่ารื้อจะฆ่าพ่อได้แม้แต่มดลูกเรายังไม่ปรารถนาทำลายพระนางทรงดําริด้วยความชื่นบานพระไทยเมื่อแน่พระไทยดังนี้พระนางก็ทรงนอนพระไทยเชื่อมั่นว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระโอรสของพระนางจะกระทาปิดตุฆาต ไม่มีวี่แววเลยพระราชกุมารเคารพรักพระราชบิดายิ่งนักแต่เรื่องร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์มักจะเกิดขึ้นในเวลาที่บุคคลนิ่งนอนใจเสมอเมื่อหวาดระแวงในเรื่องสิ่งใดบุคคลย่อมระมัดระวังและหาทางป้องกันในสิ่งนั้นเรื่องนั้นเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นได้ยากมีอยู่มากมายหลายสิ่งที่บุคคลจำนวนมากแน่ใจว่าไม่เป็น มักจะเป็นให้ดูเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นพระพุทธองค์จึงมักจะไม่ทรงโทษใครแต่ทรงชี้ไปว่านั่นเป็นโทษของวัตตะด้วยเหตุนี้หลักธรรมที่ดีที่สุดที่ควรยึดถือเป็นหลักชีวิตคือความไม่ประมาท